แนะนำบทกอฟบทนี้เป็นบทมักกิยาะมี45องค์การที่พูดถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับหลักการศรัทธาในอิสลามในขอบเขตจำกัดที่สำคัญสคัญเช่นความประเดขภาพสารการฟื้นคืนชีพบทนี้ไดเริ่มด้วยปัญหาหลักที่พวกปฏิเสธชาวกุรสิสได้ปฏเิเสธบทนี้ได้กล่าวเตือนชาวกุเรสิสที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพให้หันมาพิจารณาถึงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮ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 จะจบลงด้วยคนชั่วจะถูกโยนสู่ขุมนรกวันนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเสียงเป่าสังซึ่งเป็นเสียงที่ทำให้มนุษย์ออกจากหลุมฝังศพเปรียบเสมือนตักแตนที่บินว่อนแล้วจะถูกนาไปสู่การสอบสวนและการตอบแทนซึ่งไม่มีผู้ใดจะรอดพ้นไปจากอลลัลลอฮ์ได้เลยในการนี้เป็นการยืนยันอย่างคัดแจ้งถึงการฟื้นขืนชีพและการชุมนุมในวันกี่ามา ซึ่งพวกบูชาเจเวดได้ปฏิเสธในเรื่องนี้ด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตอบขอสาบานด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติ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 เอเาจาัล็นไปแล้วตชีวิตัวนั้นห น, นั่นเป็นการกลับที่ไกลเหลือเกินแน่นอนเรารู้ดีว่ากี่มากน้อยแล้วที่แผ่นดิน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 د นแผดินนั้นเราได้แผลให้มันกว้างออกไปและในแผดินนั้นเราได้ปักภูเขาไว้อย่างมั่นคงและในแผดินนั้นเราได้พืสชสัตวทุกชนิดงอกเนยออกมา เป็ น, นมมพื่อให้เป็นที่สังเกตและเป็นข้อเตือนให้ระลึกแกบ่บาทุกคนที่สานึกผิด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 ลำต้นของมันมีพวงย้อยลงมามีผลซ้อนกันเป็นตับเพื่อเป็นปัจจัยยางชีพแก่กวงเบ่าและด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้ดินแดนที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่เช่นนั้นแหละ กลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธมาก่อนหน้าพวกเขาแล้วและชาวรสกลุ่มชนของนาบีชว่วยและสมุ ด, าาดลและอาดและฟิรอา และพี่น้องของลูดและชาวป่าทึบและกลุ่มชนของตุ บ, บะ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 แลวเรานั้นใกล้คิดเขายิ่งกว่าเส้นเลือดสู่หัวใจของเขาสิจงรำลึกขณะที่มาัยกาผู้บันทึกสองท่านบันทึกท่านหนึ่งนั่งทางด้านขวาอีกท่านหนึ่งนั่งทางด้านซ้ายด ไม่มีคำพูดใดที่เขากล่าวออกมาเว้นแต่ใกล้เขานั้นมีมาลักผู้เฝ้าติดตามผู้เตรียมพร้อมที่จะบันทึกและการมึนงงแห่งความตายได้ปรากฏขึ้นอย่างประจกักษ์แจ้งและนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะหลีกเลี่ยงจากมันไปไม่ได้ และสามจะถูกเปล่าขึ้นนั่นคือวันแห่งสัญญาการโลงโทษและทุกๆชีวิตจะมาพร้อมกับเขาคือมะลักษผู้นำทางและมาลักษผู้เป็นพยาธิ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 ลาา ม, า ล, มลักผู้ม อ, อกหมายกล่าวว่านี่คือสิ่งที่เตรียมไว้อยู่ที่ข้าพระองแล้วแกาานน้าทั้งสองจงโยนทุกคนที่ปฏิเสธศรัทธาและดื้อรั้นลงในนรกยานนันน่นแหละที่ขดี ผู้ขัดขวางการทำดีผู้ฝาฝืนผู้สงสัยซึ่งเป็นผู้ตั้งพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลดัะนั้นเจ้าจงโยนเขาสู่การลงโทษอันรุนแรงเถมา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 วันที่เราจะกล่าวแก่นรกยานนำว่าเจ้าเต็มแล้วหรือแล้วมันจะกล่าวว่ายังมีเพิ่มอีกไหมและสวนสวรรค์จะถูกนำมาให้ใกล้แก่บรรดาผู้ยำเพลง ซึ่งมันไม่ได้อยู่ไกลเ ล, าาน ล, ลเยนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ทุกคนที่สำนึกผิดเป็นผู้รักษาบรรยัติของอัลลอะ์ผู้ใดเกรงกลัวพระผู้ทรงตรูนาโดยทางลับและมหาปร่ง ด้วยจิตใจที่สมนึกผิดกลับเนื้อกลับตั ว, วพวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ด้วยความสันตินั่นคือวันแห่งการทำนักอยู่ตลอดกา ล, าาาลาาสำหรับพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาพึงประสงค์ในสวนสวรรค์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 และความจริงเราได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลาหกวันและไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดมาสัมผัสเราดละนั้นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธกล่าวถึงและจงแท้สองด้วยการสรรเสริญ พระพู้วิบาลของเจ้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและก่อนดวงอาทิตย์ตกและระหว่างกลางคืนก็จงสดุดีพรองด้วยและหลังเวลาสุยแต่เจ้าจงฟังวันที่ผู้เรียกร้องจะร้องเรียกจากสถานที่อันใกล้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 วันที่แผ่นดินจะแยกออกจากพวกเขาและพวกเขาจะออกมาอย่างเร่งรีบนั่นคือการชุมนุมที่ง่ายดายแกเรา